รับอารมณ์ด้วยขนาดนั้นต้องรับจิตขนาดนั้นต้องจะไปรับอารมณ์อื่นก็จะรับรูปรับนามแล้วนะนี่ก็ลิ้นไปกันใหญ่อาเหตุกับจิตยิ่ง ให้สมหมดดีกําลังพูดกําลังพูดให้รู้ว่าเราระไมถึงรู้ไม่ได้นะให้รู้ว่าดูไม่ได้ยังไงต่อ นั่นคือมันเครื่องความโง่เขลาด้วยการรู้ตัวเองอย่างเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรารู้ในโลกเนี่ยจึงมีอยู่ 2 เหมือนคนยิ่งกินเหล้ายิ่งเสพยาเสพตียิ่งโง่มากขึ้นจะๆฟังๆก็จะ ไม่ก็ดําเนินตามหลักความรู้ด้วยวิธีการอื่นใดอีกต่างนี้ก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องที่ว่ามาแล้วย้ําอีกทีแต่ว่าย้ําในแง่ของความ ไม่มั่นคงคือไม่ปรากฏชัดตัวมันไม่เนี่ยทั้ง ต้องเก็บเอาไว้พูดโดยสมบูรณ์เมื่อพูดจิต 89 ดวงจบแล้วว่าไอ้มั่นคงไม่มั่นคงเนี่ยมันมีกี่นัยยะสิ่งที่เรียกว่ามั่นไม่มั่น อิเมยะนุิบมีมีหลายในด้วยกันนะก็ตรงนี้ก็ 2 นะข้อ 2 ปรากฏขึ้นด้วยกรรมเก่า 3 ปรากฏขึ้นอ่า 3 ดวง อย่างจะแยกส่วนตัวอังกฤษให้ดูว่า 3 มีเหตุเฉพาะหน้าเป็นปัจจัย 15 อุตนิบากอุตนิบากนั้นมี 2 ส่วนครับกรรมส่วนหนึ่งเหตุเฉพาะหน้าอีกส่วนหนึ่งเหตุเฉพาะหน้าจึงเป็น ทำไมมีเหตุเฉพาะหน้าเป็นเครื่องมือของกรรมแล้วกรรมมันก็ให้ผลไม่หรืออยาก ถ้าถ้าเหลือจะได้พูดต่อให้อีกนิดนึงให้จบ <c oughs> 18 ตัวไหนเกิดมาจากกรรมจากในหัวคร 6 ครับว่า อ่าเหตุกิจที่เกิดจากกรรมและเหตุประจวบ 15 ดวงคือตรงไหน 3 ดวงคืออะไรที่ทั้ง 2 ส่วน แล้วก็จิตที่แล่นไปถึงชวนะก็ต้องมี 5 ดวง 18 ดวงนี้มีความลี้ลับเพราะ คันธมาถึงวาระว่าการบัญญัติชื่อเรียกอเหตุกจิตเนี่ยนี่อ่าฎีกาท่านก็ 10 นะเป็นชื่อ 10 นั้นก็คือจักขุอ่ะดวงนะแล้วก็เป็น ส่วนหนึ่งอีก 5 ดวงเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณ 10 คําว่าทวิแปลว่า 2 2 2 ส่วนแล้วคํา 2 ส่วนแห่งเกิดคือกรรมนั่นเอง 2 ส่วนแห่งกรรมปัญจวิญญาณก็คือวิญญาณ 5 เพราะนั้นทวิปัญจวิญญาณจึง วิญญาณ 5 ที่มาจากกรรม 2 ส่วนกุศลกรรมส่วนหนึ่ง 5 ละครับ 10 ฉะนั้นท่านจะต้องได้ 10, 10 อยู่เรื่อยๆเนือง อานพบคําว่าทวิปัญจวิญญาณ 10 เนี่ยบ่อยๆเลยนี่นะเนอในที่ทั่วไปในตํารา 10 ดวงคือ ที่เรียกอย่างนี้เรียกวิญญาณด้วยอํานาจของปราสาทปราสาทก็คือตาที่เรียก แต่ประสาทมันจะมีความหมายเฉพาะแค่ตาจมูกลิ้นกายๆหรอกแต่เหมือน เข้าใจนะฮะว่าทําไมจึงเรียกว่าจักขุวิญญาณเรียกโดยอาศัยประสาทนี่ส่วนหนึ่ง พออ่านก็ว่าสัมปติฉันนะเออทําไมมันไม่เป็นอย่างโลภะซึ่งก็เรียกได้อย่างชัดๆว่าเป็นยังไงไอ้โลภะน่ะเรียกโดยมูลที่เออเข้าใจแต่พอมาถึง อ่าแล้วมันมี 5 หรือท่าทางก็ได้อาจารย์เนี่ยไปว่าอ่าเดี๋ยวๆค่อยว่าอีกทีมโนทวารณะลำพุงเนื้อ ว่าจะมาชอบมาไม่ชอบก็รู้ว่าอย่างไรจะต้องผ่านกระบวน ขั้นตอนอย่างไรกี่อย่างไรในเอกสารชุดที่ 7 เราเตรียมจะพูดกันต่อแต่มันไม่ใช่ว่านี้นะครับเอาน่ะก็จะได้รู้อ๋อมันอยู่ตรงขั้นตอนรับมันรับยังไงรับ ไอ้นี่ล่ะปันเจนะพิจารณายังไงมันเป็นๆกันแต่ว่าคนละจุดคนละ อาการอาการคืออาการอะไรอ่าเดาได้ครับยิ้มหะสิตะแย้มในที่นี้ต้องแปลว่าแย้ม ที่ในที่นี้เขียนย่อไว้แปลว่าเกิดขึ้นเพราะนั้นหาสิตุปาทาจิตจึงหมายถึงจิตที่ยังความ ไอ้ยิ้มมากก็บานมากมันไม่มีอย่างนั้นหรอกครับ ปลายอาหลานิ้วเนือนิ้วยิ้มหมดเล็บก็ค่อยเจอออกจากปลายอ่าการหมุนเวียนของ <c oughs> เขียนเค้าทําสิ่งนี้ด้วยจิตที่เป็นสุขด้วยความสุขก็จะออก วันที่ 19 กันยายน 2536 กรรมยายพระวิชัมวัน 17 ในเนื้อหาของเอกสารหมายเลขที่ 17 เท่านั้นเจ้าขอเรียนซ้ําอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องอหิทุกขจิตนั้นเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างจะยาก ทั้งที่วาจิตรเหล่านี้ก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นกับเราทุกเมื่อเช้าวันในเวลาตื่นเกือบ เมื่อโลภะเกิดอเหตุกจิตก็เกิดด้วยเมื่อโทสะเกิดอเหตุกจิตเกิดด้วยเมื่อโมหะ โลภะก็อยู่ในวิถีจริงๆนั้นถ้าไม่ 18 แล้วเราจะนึกไม่ออกเช่นนึกไม่ออกว่า ลำดับหรือเป็นกลไกการทํางานของจิตในขั้นใดขั้นหนึ่งอะไรที่แปลว่าจิตพินิจหรือจิตพิจารณาแล้วก็โวตัปณจิตคือจิตที่ตัด ซึ่งก็เป็นคนละเรื่องกับอเหตุกจิตเพราะฉะนั้นเรื่องของเนี่ยเจ้า เป็นการตั้งด้วยอำนาจอาการที่แสดงออกของบุคคลนะรับเนี่ยถ้าเรานึกเป็นอย่างพื้นพื้นสมัยจึงรับด้วยอาการรับอย่าง คือหาคำตอบก็เรียกว่าพิจารณาหรืออวชนะที่แปลว่าๆว่าหมายถึงคนนั่งลำพึงนึกถึงๆที่เรา ทั้งหมดเหล่านี้ที่ว่ามาน่ะจะมีความหมายใน มีความหมายลึกลึกอย่างไรคือลึกกระทั่งว่าเมื่อเราพูดกันแล้วด้วยการอธิบายในทางเหตุผลเราก็ 12 น่ะถึง แต่ก็พอมองเห็นพอจับได้พอมองแต่คนที่จะจับได้พอจับด้วยการใส่ใจแต อ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าจิตแรกตื่นความรู้สึกแรกตื่น ตาหูจมูกลิ้นกายตั้งใจก็หมายความว่ากายซึ่งเป็นเมื่อ มีความเย็นหรือความร้อนเช่นเรานอนในที่ร้อนนอนในที่สกปรกมีเหลือบยุงลิ้นไรกัดเราก็จะตื่นพังปันจากอาการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ธรรมดาเนี่ยเราพอจะนึกนึกคือหมายถึงว่าฟังถ้าไม่รู้อะไรเลยก็คือว่าฟังพูดแล้วพอนึกได้อ๋อมันเป็นสอดคล้องกับประสบการณ์ ตื่นวันนี้ตื่นด้วยมโนตวันหรือทางไหนแล้วถ้าจะให้ผมถามว่าก็คิดว่าบางคนเนี่ยเรา สามารถที่กําหนดไปถึงจิตที่ที่ตื่นขึ้นมาซึ่งคนที่กําหนดอย่างนี้ได้นั้นหาได้ยาก อาจเช่นบพระองค์ 1 ทํากรรมฐานตลอดปีโดยไม่มีกําหนดกรรมฐานคือ เพราะว่าธรรมะนี่จะบอกว่าพิสูจน์ได้ทดลองได้ปฏิบัติได้น่ะพูดเฉพาะในกลุ่ม ถ้าใครเข้าจิต 89 เนี่ยผมจะลำดับให้ดูนะ ก็เป็นก็นักศึกษาทางศาสนาเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ไปฟังหรอกว่าเอ่อผมเนี่ยไม่รู้ศาสนาจิต 89 หรือ 89 หรือ 121 เนี่ยผมก็ ผมฟังแล้วผมคนอื่นก็ไม่รู้มันจะรู้ว่าได้อะไรล่ะเราก็นึกแต่ว่าไม่ได้เถียงนะเนี่ยเพราะเนี่ยอกุศล 12 นั้นเรียนแล้วได้อะไรเพราะ รู้เพื่อละเพื่อละอย่างอกุศล 12 เนี่ยเราเรียนรู้แล้วจะเห็นว่าเกิดก็ตามของคนอื่นเราก็ตั้งความรู้สึกในลักษณะเกลียดอกุศลแล้วก็เลยไป 8 ไปเนี่ยเรียนเพื่อเจริญรู้และ เป็นความรู้ในฐานะที่เป็นที่ภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภิญญยธรรมเป็น มาจากความรู้ตรงนี้จากความรู้ตรงนี้รู้อย่างชนิดที่ทําให้กุศลเกิดอย่างที่ <c oughs> คือเอาโดยนิมิตโดยอนุพยยนะอย่างนี้ละอกุศลเจริญเห็นมั้ย เสียอย่างก็ได้อย่างต้องเป็นเรื่องคู่กันไปนะเอาล่ะครับ ว่าเหตุทุกขจิต 18 นั้นมีลำดับการเกิดอย่างไรเพราะเหตุว่า 18 ผมคงจะ สิ่งที่ท่านผู้ที่ได้เรียนรู้มาบ้างควรว่าการแสดงลําดับของ 18 ว่าเริ่มต้นแสดงจักขุ กุศลนิบาตอีก 1 ไปจนกระทั่งถึงกายอ่าดูถ้าพกอ่าอันนั้นเรียกเนี่ยจะ ใช่มั้ยตื่นขึ้นมาไม่ยังจะเรียกว่าเรียงลําดับโดยทฤษฎีอ่าธรรมะในศาสนาเนี่ยทุกเรื่องเราต้อง ละเป็นอย่างอย่างทีละครั้งทีละบาลีมาวางเนี่ย เราก็รู้ก่อนมันเป็นยังไงๆถ้ารู้แค่นั้นไม่เอามาเรียงลําดับโดยการ 2 อย่างคู่กันไปที คัมภีร์ฟังกล่าวฟังหลายสำนักเนี่ยควรจะ 18 ไว้แบบนึง กุศลวิบากก่อนแสดงกุศลวิบากก่อนซึ่งผิดกับอภิธรรมสังคหะซึ่ง กุปะสลาธัมมากุสลาธัมมาปยากตาธัมมาธรรมใดเป็นกุศลหรือธรรมใดเป็นวิบากของกุศลแสดงก่อนธรรมใด เอ่อมีข้อต่างอันหนึ่งนะที่ท่านควรจะคือคัมภีร์อภิธรรมปทสังหาฉบับที่กับอภิธรรมปทาที่ สำนวนของพม่าเค้าเรียกว่าคัมภีนิสัยคัมภีนิสัยนิสัยแปลว่าที่อาศัยเป็นอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์กรรมฐานอย่างวัดบวรก็พิมพ์นะอุปกรณ์ แปลว่าคัมภีร์เป็นที่อาศัยไม่ใช่ต้นฉบับงั้นถ้า แล้วจึงมาแสดงอุเบกขาสันติระณะที่หลังท่านเอาเวทนาแรงขึ้นก่อนอ่าคงจะว่าตามนัยยะของ แต่พอมาถึงเอ่อรุ่นคัมภีรนิสัยนะท่านเอาโสมนัสไว้สุดท้ายที่เขียนให้น่ะผมเขียนตามนัยยะเราก็เลยใช้กันตาม พอพูดถึงสันติลนะ 3 เราก็จะเรียงว่ามีอะไรบ้างมีอุเบกขาสันติลนะ 2 เป็นเปเปเป 3 เราเรียงอย่างนี้อันนี้ก็ได้เรียนให้ ฟังฟังถึงตรงนี้แล้วก็คงนึกว่าสงสัยมึนแน่วันนี้สงสัยไม่พูดเหมือนเป็นกันได้คล้ายๆกันแต่มาพูด เป็น 2 วิถีจิตให้ๆทางตาทางหู แต่ทางการเกิดจริงละเรียนอย่างนี้กกไก่ขไข่นั้นเราท่องกันมาตั้งแต่เข้าอนุอนุบาลก่อนเข้าอนุบาลเรียงไว้อย่างแต่เวลา เราเริ่ม 18 เนี่ยอะไรมาก่อนเพื่อนเกิดก่อนเพื่อนเวลาเราเห็นครั้งหนึ่งปรากฏว่าดวงที่เท่าไหร่ครับมาเกิดก่อนทุก ดูๆในวิถีเลยนะปัญจาธวาราชนะนั้นโดยลำดับของ 10 เท่า 16 นะเป็น 16 แต่เวลาเกิดเกิดก่อน ตื่นทางปัญจทวารคือเมื่อตาเมื่อรูปมากระทบตาความรู้สึกที่เป็นตัวตื่นครั้งแรกคือตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นตื่นเพราะรูปเสียงตื่นรถโพดะปะท่านจึงเรียกว่าปัญจะแปลว่า เป็นอารมณ์โทธะภะเป็นอารมณ์กายเป็นทวารเพราะอารมณ์กับทวารกระทบกันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรใน 5 อย่างกระทบอะทวารอะไรใน อาวชนะศัพท์นี้แต่ตามศัพท์นั้นแปลว่าใส่ใส่ใจก็ได้แปลว่าใส่ใจก็ได้นะแต่ความหมายก็ไม่ใส่ก็ แปลว่าไม่ได้รับอารมณ์นั้นอ่าตัวนี้คือจิตแรกตื่นทางทวาร 5 เราต้องจํากัดว่าทางชวน 5 เพราะว่า ตอนนี้พูดว่าเวลาอารมณ์มากระทบทวาร 5 เนี่ยอารมณ์อะกระทบ ขณะจิตไว้ 2 ว่าความเนี่ยมันไม่ใช่พึ่งกระทบโดนทวารในปัญจตวารอาชนะเกิดแปลว่าพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่เสียเวลาขี้เศร้าไอ้คําว่าขี้ก็เรียกแล้วเรียกอีก และคำว่าขี้เฒ่ามันหมายถึงว่าปลุกปลุกเข้าแล้วนานเท่าไหร่ชื่อ แต่พลั่วขี้เศร้ามากขี้เศร้าน้อยได้คนครับจิตขณะนั้นยังไม่ตื่นทีเดียวเป็นความ เรียกว่าว่าภวังคัจฉลนะที่เขียนย่อเนี่ยนะแปลว่าหลับยังไม่ ภวังคญาณดับไปก็หลังจากนั้นปัญจทวารญาณถึงเกิดมีหมายความว่าเมื่ออารมณ์มากระทบตาเป็นต้นผ่านขณะจิตไปถึง 2 ขณะจิตเสียเวลาไป 2 ขณะจิตถ้าเราคิดเทียบเป็นวินาทีจึงตื่นตัวตื่นนั้นคือตัวปัญจทวารญาณตื่นขึ้นมารับรูปา รู้ออกคือตื่นขึ้นมาแล้วจับลู่บาลลมนั้นเลยซึ่งที่จริงก็ยังไหนแล้วศักแต่ละศักนี่ไม่ แม้กระทั่งชวนนะเนี่ยที่เกิดโลภะโทสะเนี่ยมันยังสักเลยครับสักแต่ว่าโกรธไปงั้นแหละถามว่าโกรธอะไรไม่รู้สักแต่ว่าโลภไปงั้นน่ะไม่รู้สักแต่ว่าหลงไปงั้นแหละบางทีท่านอาจจะไม่เคยได้ บางครั้งเนี่ยเราโกรธมันก็ไม่กลุ่มก็ไม่รู้ทําไมกลุ่มเรามองไม่เห็นสาเหตุมันไม่ชัดเจนที่สมควรจะโกรธก็โกรธนี่คล้ายๆกันอย่าง นั้นเมื่อรู้สึกตื่นเนี่ยผ่าน แต่ด้วยอํานาจของเพียงแต่อารมณ์นั้นมากระทบเท่านั้นก็ตื่นจึง เรียกว่าตื่นแล้วก็ไม่มีพลังในทาง 10 ทวิ 10 คืออะไรอุนินั้นแปลว่า 2 ส่วน 2 ส่วนส่วนไหนกับส่วนไหนส่วนที่เป็นผลบุญเนื่องจาก ปัจจวิญญาณซึ่งถ้าเราเลือกด้วยอำนาจของสาหุยมุกลิงก็ 5 นี่แต่ 5 นี้มันเห็นดีก็เห็นไม่ดีมาเห็นพร้อมกันมี 2 ตาจริงแต่ ประสาทลิ้นเราทั้งผืนแต่เวลาลิ้นลดดีทีละจุดก็เหมือนกันประสาทจมูกเราก็เหมือนกันพร้อมๆกันเสียไปบางส่วน มีทั้งเห็นดี Hej Editor Bond อ่าเลยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบางเอิญไม่ใช่เรื่องใครมาสั่งการ还是 His 팬อลาท excitedEt Galpets amagal artist introduce C Dunkwos นLET belle artist니ped IAy commissioned which introduced earlier on Thisное time stewardship he did in Afranic 둘 수관 promotional books bland Sign or a 2000 miaperamental 붙起ór anyway color was submitted for those he was handed cannedödิタ��니다 plunde. eeatundea performance.はいa made a legal product guidance andается ÉIT นี่ τ จึงมีผลโดนบันดาลทําให้เราเห็นดีหรือเห็นไม่ดีแล้วก็การเนี่ยอ่าท่านถือว่ากรรมนั้นชัก คือจักเราไปหารูปที่ไม่ดีจักรูปที่ไม่ดีถึงเดี๋ยวนี้ผมคิด เราจะเชื่อได้อย่างไม่ตกตะขวงว่าอะไรที่เราได้ดีเนี่ยมันอยู่ที่เราจริงๆครับชัดเจน มันจะล้างสิ่งเร็วๆออกไปหมดอ่าซึ่งท่านแบ่งเป็นปัจจุบันและ อนาคตของเราไว้ของเราไว้และเราก็พิสูจน์ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะคุมจิตทําปัจจุบันของเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นมันอยู่ที่เบิกทางทําอนาคตถ้าเราคุมตัว ที่ทั้งนวนบอกว่าถ้าเราเราจัดคนคือตัวเราเองได้เราจะ แรงทั้งนั้นเลยจากในตัวของเราเองทั้งนั้นเลยแน่ มันมาได้ยังไงซึ่งเราเราก็มองไม่เห็นอดีตกันแต่เรามองเห็นๆกันนี่ เนี่ยดูไปเห็นดีๆอะไรเงี้ยก็ก็เหลื่อมใสก็ก็ไม่กล้ามันก็หาย แต่ละคนจะนึกสักความผิดไปว่ามันต้องหันกลับ บทเนกัมมานารีทังทังกรรมฐานนี้อย่าใช้คําว่าเขาทอดทิ้งอย่าบอกว่าเขา มาไปทําให้ชีวิตพ่อดีขึ้นผมจริงๆแล้วถ้าต่างคนต่างไปแล้วจริงๆนี่คือต่างคน แม่ยาย profile blame to be a man, seems like since before, while half of them may be good. remember that ng withdraw and figure come. for some reason, yad achievement KNOW somehow, I think I like that of my führt with hardship. was AJ is also truly a girl. because of me sola, you understand how really it is added. is something second to be true. Look at the love of her time. of her host again. going through to be honest and is another sort of move on designs now, in fact, that his wife loves himself, ถ้าคุณไม่ดีขึ้นน่ะคนดีจริงๆเค้าอยู่คุณไม่ได้หรือคุณก็อยู่เค้าไม่ถ้าสมมุติเราไม่รู้จัก เนยภาทอดป่าในช่วง 3 ปีปีละวันละวัดต้องมาเริ่มใกล้จะตายแล้วก็เลยไปเริ่มเป็นเนยภาทอดป่าเอิกว่าทําบุญเข้ากลายกัน <c oughs> ก็เลยต้องชมตัวเองต้องชมตัวเองล่ะนะเนี่ยว่าๆครับ ที่ที่ภิกษุได้แต่เพียงแต่ว่าทําแล้วทิ้งทิ้งไว้หน่อยทิ้งเวลาถ้า เพราะฉะนั้นฉะนั้นบุญและบาปผลบุญผลบาปนั้นจึงให้ผลอยู่รอบๆตัวเป็นสิ่งแวดพูดยืนกระต่ายขาเดียว คนอื่นสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเครื่องมือของกรรมทั้งนั้นกรรมสร้างมาโดยกรงนั้นในตัวเราสิ่งอื่นนั้นกรรมชักนําให้มาสอดคล้องสอดประสานกันอย่าง เอาขยับไปทิ้งเราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็กลัวท่านก็กลัวแต่ผมก็ไม่ได้ไปทํางาน okay, ผมขยายไอ้ขอบเขตออกไปทําให้มันสะอาดขึ้นก็จะทํางั้นว่างๆผมก็ไอ้ขวดพลาสติกอะไรต่างๆที่เวลาผมพายเรือออกอย่างวันนี้วันนั้นตกเนี่ยผมก็พายเรือออกมานิดนึงออกอย่างใน ไม่รู้หมอทิ้งนะคนในครอบครัวทิ้งแล้วก็เก็บจริงๆจะไปทําให้ปะเจิ้บปะเจ้อดีคนจะหั่นไส้นะแล้วก็ต้องมาถามต้องมา คนเก็บขยะมาเก็บไปเนี้ยได้ไปขายนะไปทิ้งแล้วก็บอกหลายเนี่ยอ่าเค้าลําบากมีลูกหลายคนอย่างเป็นหลายร้อยเป็น 1,000 ๆหลายปี แล้วก็ดีใจเออได้เป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างเนี้ยทั้งหมดเหล่าเนี้ยจะทําให้ ทำให้เค้าได้คนเลวดี